มีขนรทำเนียมประเพณีในการเสริมศีลมงคลเรื่องไนวาลขึ้นปีใหมน่นี้ด้วยการมาวัดมาทำบุญทำทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษให้กับบิดามารดาปุยญาตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย แล้วก็เวลากลับบ้านไปก็นำข้าวของไปกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็นำเอาข้าว ข, ของไปฝากไปให้แล้วก็ไปขอพอรขอรดงามและขอพอรจากผู้หลักผู้ใหญ่ นี่คือการเสริมสริมงคลตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าปูชาจะบูชานียนะเอตัมมังกลมุตตมังการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตบุคคลที่สมควรแก่การบูชา เทาลบสั ก, การะก็คือผู้มีพระคุณทั้งหลายนั่นเองเช่นบิดามารดาปุย่าตายายครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีแต่ให้มีแต่สมเกร้อมีแต่ความเมตตาต่อผู้น้อยอย่างพวกเรา พวกเราเมื่อมีเวลาว่าก็ควรที่จะเข้าไปกราบไหว้บูชาด้วยข้าวของเงินทองหรือด้วยความตระพื่อที่ดีเช่นดูแลช่วยเหลือ ท, ท่านท่าท่านอยู่ในสัถานภาพที่ไม่สามารถดูแล ช่วยเหลือตัวเองได้เพราะเป็นการตอบแทนบุญคุณเป็นการแสดงความกระตันยูกระตะเวทีที่เป็นธรรมสำคัญของคนดีคนดีหรือไม่ดีนี่ให้หมองที่ว่ามีความกระตันยูกระตะเวทีหรือไม่ ถ้าไม่มีความกตัญญูกะตะเวทีไม่คิดว่าควรจะถือเป็นคนดีได้เพราะคนดีนี้ย่อมมีความสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นมีสัมมาคาระวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่คือที่มาของประเพณีของการไปลดน้ำขอพร จากผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้เป็นธรรมเนียมที่ได้ปฏิบันการมาอย่างต่อเนื่องโดยเอาตัวอย่างของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบะับพระพุทธเจ้าทรงแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อบิดามารดาของท่านถึงแม่มาดาของท่านจะได้ เสียชีวิตไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะพระพุทธเจ้าก็ยังสามารถติดต่อผ่านทางกระแสจิตสามารถแสดงธรรมให้แสงสว่างนำพาชีวิตของพระมานดาให้ไปสู่มรรคผลนิพพานได้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันมีแสงสว่างนำทาง ที่จะพาให้ชีวิตไปสู่จุดสูงสุดคือพระนิพพานหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีของพระพุทธเจ้าต่อผู้บังเกิดกล้าวที่ได้สูญเสียชีวิตไปแล้ว ต้องทรงมีพลังจิตที่สามารถติดต่อกับดวงจิตดวงใจของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้และสามารถแสดงธรรมโปรดให้ได้บรรลุมากผลนิพพานได้นี่คือความกะตะัญญู <Yeah. S 1> กะตะเวทีของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพระมารดา พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าต่อให้เราดูแลพ่อแม่ของเราให้ดีขนาดไหนก็ตามเลี้ยงดูท่านให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปทนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตบุญคุณของพ่อแม่ก็ยังทดใช้ไม่หมดถ้าอยากจะทดใช้บุญคุณของพ่อแม่ให้หมดก็ต้อง สอนให้พ่อแม่ได้ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะถ้าได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปปิดประตูอบายได้ถึงแม้ว่าจะเคยทำบาปทากรรมมามากน้อยเพียงไรพอได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปอบายคือที่อยู่ของสัตว์โลกสี่ชนิดด้วยกันคือหนึ่งเดรัจฉานสองเปรตสอสุรกายและ 4. ส, สัตว์นรกถ้ามีดวงตาเห็นธรรมบรรลุปเป็นพระโสดาบาันได้แล้ว อบายทั้งสี่นี้ก็จะไม่ต้องไปอีกต่อไปนี่คือวิธีทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ที่มีบุญคุณอย่างใหญ่หลวงให้หมดไปได้ผู้ที่จะทดแทนบุญคุณแบบนี้ได้ก็ต้องเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะว่าถ้ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่มีธรรมะที่จะแซ ที่จะนำมาสอนให้แก่ผู้ฟังให้ได้บรรลุทำได้นั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ให้ได้หลุดพ้นจากบายเราก็ต้องบวชกันบวชแล้วก็มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมา พอเป็นผ้ารหัรแล้วก็จะมีบารมีมีธรรมที่สามารถสั่งสอนให้บิดามารดาได้หลุดพ้นจากอบายได้นี่คือเหตุผลที่ชาวไทยเราจึงมีธรรมเนียมให้ลูกชายบวชเวลาอายุครบยี่สิบแล้วเพราะเวลาบวช จะได้ศึกษาและปฏิบัติถ้ามีบุญเก่าอยู่หรือมีบารมีเก่าอยู่ก็อาจจะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้พอเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะสามารถสอนให้พ่อแม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้ได้หลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายได้ยังมีทำเนียมเชื่อกัน ว่าการทดแทนบุญคุณของลูกชายที่ดีที่สุดก็คือการบวชเรียนนั่นเองอเพราะพ่อแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองไปสู่สวรรค์ต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุเป็นผ้าอรหรันถึงแม้จะไม่ได้สอนให้พ่อแม่ได้หลุดพ้นจากอบายอย่างน้อยก็ จะดึงให้พ่อแม่ได้เข้าวัดกันเพราะเวลาลูกไปบวชอยู่ที่วัดพ่อแม่ก็จะมีความคิดถึงมีความห่วงใยก็จะมาเยี่ยมลูกที่บวชก็จะมาทำบุญอย่างที่มาทำกันในวันนี้มีญาติโยมหลายท่านที่ปกติจะไม่ได้มาวัดนี้ถ้าลูกชายไม่ได้บวช แต่พอลูกชายได้บวชแล้วก็เลยมีความศรัทธาอยากที่จะมาทำบุญอยากที่จะมาเยี่ยมลูกชายแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็รักษาศีลถ้าทำอย่างนี้ได้ก็ได้ไปสวรรค์แล้วถึงแม้ว่ายังไม่สามารถปิดอบายได้ถ้ากรรมไม่หนัก ถ้าบุญที่ทำในพวกนี้ชาตินี้มีกำลังมากกว่าบาปกมก็ยังสามารถไปเกิดในสวรรค์ได้เพียงแต่ว่ายังไม่สามารถปิดประตูอาบายได้เวลาใดที่บาปกร ม, มีกำลังมากกว่าบุญที่ทำไว้เวลานั้นบาปกรมก็ยังสามารถดึงใจให้ลงไปสู่อาบายได นี่คือวิธีทดแทนบุญคุณของลูกๆให้แก่บิดามารดาผู้หญิงก็สมัยนี้ก็มาอยู่วัดได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บวชห่มผ้าเหลืองก็ห่มผ้าขาวไปแทนก็ได้เพราะว่าการปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายจะห่มเหลืองหรือห่มขาวก็ปฏิบัติตาม ทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเหมือนกันก็คือให้เจริญสีงสมาธิปัญญานี่เองถ้ามีการเจริญสีงสมาธิปัญญาการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากอบายจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองหรือผ้าขาวที่ห่ม ไม่ได้อยู่ที่เพศว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเหตุที่จะทำให้คนเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เป็นพระอารหันต์นั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ เป็นนักบวชหรือไม่ได้เป็นนักบวชถ้าสามารถปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอารหันต์ได้ในสมัยพระพุทธการจึงมีมีอริยสงสาวกทุกรูปแบบทุกเพศทุกวัยมีเนนเป็นอรหันต์มีอุบาสิกาเป็นอรหันต์มีอุบาสกาเป็นอรหรันต์ มีพันมันประชิดมีนักบวชเป็นอ า, ารามมีได้ทุกแบบแต่ส่วนใหญ่จะเป็นมันประชิดกันเป็นนักบวชกันเพราะนักบวชนี้จะมีเวลาที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่ไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นมาดึงใจไป ทำให้เสียเวลากับการปฏิบัติแต่คารวาะยากอยู่บางท่านผู้ที่มีบารมีอันแก่ก็ได้บำเพ็ญบุญกุศลได้เคยปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามาใ น, าในพบก่อนๆพอมาเกิดก็สามารถที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้โดยที่ไม่ต้องไปบวชก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ นี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่ที่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยไม่ได้อยู่ที่สถานภาพว่าเป็นคลรว่าหรือเป็นนักบวชถ้าผู้ใดสามารถปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นก็จะสามารถ บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้อย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของการประพฤติตนเองเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณให้แก่ผู้มีพระคุณเรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาการบูชานี้มีสี่อสองลักษณะด้วยกันคือหนึ่งอามิสบูชาสองปฏิบัติบูบชา การบูชาทั้งสองรูปแบบนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการปฏบิบัติบูชานี้แหละเป็นการบูชาที่แท้จริงการมีอามิสบูชานี้เป็นเพียงการแสดงความความปารถนาดีความขา่าวลบเท่านั้นเช่นเวลาที่เราไปลดน้ำขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ อย่างนี้เรียกว่าเป็นอาิสบูชายังไม่เกิดผลขึ้นมาพ่อแม่ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากบายได้ลูกก็ผู้ลูกก็ยังไม่สามารถบรรลุเป็นพระอราหันต์ได้ถ้าอยากจะได้ผลจากการบูชาที่แท้จริงก็ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาก็คือต้อง บวชหรือต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถ้าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่อย่างครบบริบูรณ์ก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้สามารถเอาธรรมะมาสั่งสอนให้พ่อแม่ได้หลุดพ้นจากอบายไดนี่คือการบูชาที่แท้จริงคือบูชาด้วย การปฏิบัติบูชาถ้าได้ทําแล้วก็จะเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตเป็นมงคลทั้งกับตนเองและเป็นมงคลกับผู้อื่นตนเองก็ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบิดามารดาผู้มีพระคุณก็ได้หลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายนี่คือสิ่งที่พวกเรา ควรจะคำนึงถึงอย่างน้อยที่สุดถ้าเรายังไม่สามารถเป็นนักบวชได้เราก็อย่างน้อยควรจะมีศีลมีธรรมบ้างเช่นวันธรรมดาก็ควรจะรักษาศีลห้าให้ได้ศีลห้าก็มีอยู่5ข้อคือละเว้นจากการฆ่าลักทรัพย์ตระพติผิดประเวณีพูดป่นเสพสุรายาเมา วันพระก็ควรจะถือศีลแปลเพิ่มศีลขึ้นมาอีกสามข้อคือละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกม้นการเช่นการดูมอาหารสพเครื่องบรนเทิงต่างๆละเว้นจากการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงาม ด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์วิจิตพิสดารด้วยเครื่องสำอางด้วยทร ง, งผมทรงผมที่แปกประหลาดมหัศจรรย์อันนี้ไม่ได้เป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตเป็นการเสริมสร้างความสวยงามให้แก่ร่างกายที่ไม่ใช่สาระสำคัญของเรา สารสำคัญของเราอยู่ที่ใจของเราคนเราควรจะสวยงามด้วยศีลธรรมไม่ได้สวยงามด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยเครื่องสมอางด้วยทรงผาทรงผมหลากหลายหลากสหากีหลากแบบต่างๆการกระทำเหล่านี้ไม่ได้ทำให้สวยงามขึ้นแต่อย่างใดคนเราสวยงามนั่นต้องสวยที่ศีล ก็คือต้องไม่ฆ่าไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายามาและข้อที่เจ็ข้อที่แปดก็คือต้องไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปวิธีที่จะไม่นอนมากเกินเกินไปก็คือต้องนอนบนพื้นไม้บนพืชแข็งปูด้วยผ้าปูด้วยเสือ่ออย่านอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ ราจะนอนแล้วจะไม่อยากจะลุกเพราะว่ามันแสนสุขแสนสบายแต่ความสุขที่ได้จากการหลับนอนนี้เป็นความสุขของหมูไม่ใช่เป็นความสุขของมนุษย์ของผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐนี้จะสุขความสุขของผู้ประเสริฐก็คือความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบทำใจให้สะอาดบริสุทธ ตาสจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆถ้ามีความสุขจากการหลับนอนก็ไม่ต่างกับหมูหมูที่ชอบหลับชอบนอนชอบกินอิน ม, มีพีมันจิตใจนี้ก็จะเป็นเหมือนหมูไปตายไปก็จะไปเกิดเป็นหมูต่อไปไม่ได้ไปพระนิพพานถ้าอยากจะไปพระนิพพาน ต้องวันพระต้องหัดถือศีลแปดให้ได้ศีลข้อที่สามก็ต้องเปลี่ยนจากการไม่ประพฤติผิดประเวณีให้มาเปลี่ยนเป็นการไม่ร่วมหลับนอนกับใครให้ถือศีลพรหมจา ร, รย์หนึ่งวันละเว้นการหาความสุขจากการร่วมหลับนอนเพราะว่ามันก็ไม่ต่างจากการหาความสุขของเดรชนดีๆนี่เอง เดรชาเขาก็หาความสุขจากการร่วมหลับนอนต่างตรงที่ว่าเดรฉานี่เขาไม่มีคู่ที่แท้จริงเขาเจอใครที่ไหนเขาเกิดอารมณ์เมื่อไหร่ก็อยากจะร่วมหลับนอนกับใครเขาก็ร่วมหลับนอนแต่ถ้าเป็นมนุษย์ที่มีสีหน้าก็จะต่างจากเดรฉาที่จะร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนคือสามีหรือภรรยาของตนเท่านั้น จะไม่ไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นถ้าอยากจะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ก็ต้องรักษาศีลข้อสามนี้ให้ได้แต่ถ้าอยากจะเลื่อนจากการเป็นมนุษย์ขึ้นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพรหมก็ต้องไม่ไม่ร่วมหลับนอนกับใครเปลี่ยนศีลข้อสามให้เป็นอร拉 ม, มจริยาคือศีลพรหมจันทร์ศีลของพรหม อย่างท่านที่มาอยู่วัดแล้วมานุ่งขาวห่วมขาวกันมาถือศีลแปดกันนี้ก็คือมีความตั้งใจที่จะไม่หาความสุขของมนุษย์ของเทวดาอยากจะหาความสุขของพรเพราะเป็นความสุขที่ละเอียดกว่ามีน้ำหนักมากกว่าเป็นความสุขมากกว่านั่นเองก็ต้องมาถือศีลแปดกัน เบื้องต้นก็มาถือศีลแปดในวันพระเป็นการซ้อมไปก่อนเป็นการชิมไปก่อนพอทำแล้วพอได้รับผลก็จะติดอกติดใจแล้วก็อยากจะรักษาศีลแปดให้มีเพิ่มมากขึ้นก็าจะเพิ่มเป็นสามวันเป็นห้าวันและต่อไปก็จะรักษาทั้งเจวันได้ หรือถ้าอยากจะบวชก็จะบวชได้บวชเป็นแม่ชีก็ได้บวชเป็นพระภิกษุก็ได้ถ้าบวชแล้วก็จะได้มีเวลาศึกษาปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่พอได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้ผลอย่างเต็มที่เริ่มต้นจากการมีศีลศีลห้าก่อน การมีสีหน้านี้ก็จะรักษาสถานภาพของการเป็นมนุษย์ไว้ถ้ารักษาสีหน้าไม่ได้ใจก็จะเลื่อนลงไปสู่ขั้นของเดระฉานขั้นของเปรตต่อไปหรือถ้าหนักกว่านั้นก็ถึงขั้นนรกเลยแต่ถ้ารักษาสีหน้าไว้ได้ก็ไม่ต้องไปเกิดแต่ะบายเพราะผู้ที่จะไปเกิดอบายนี้ต้องมีการกระทำบาป เป็นเหตุพาไปนั่นเองแต่ถ้ารักษาศีลห้าได้ก็ไม่มีการกระทำบาปบาปก็คือการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดโตเวณีการพูดปดการเสพสุรายาเมาถ้าไม่ได้ทำบาปตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเวลาตายนี้บุญกับบาปจะมาแย่งดวงวิญญาณของพวกเราไปกัน ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะดึงไปสวรรค์ไปสวรรค์ชั้นเทพไปสวรรค์ชั้นพรหมหรือไปสวรรค์ชั้นพระอริยเจ้าแต่ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นนสุรกายไปตกนรกหังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะไปอบาย เราต้องพยายามรักษาศีลห้าไว้ให้ได้วันธรรมดาก็รักษาศีลห้าไว้พอวันพระก็รักษาศีลแปเพื่อที่เราจะได้ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากชั้นของมนุษย์ชั้นของเทพให้ขึ้นไปสู่ชั้นของพรหมแล้วถ้าเราเจริญปัญญาได้ฟังเทศฟังธรรม เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจา้าปรงอนิจังทุกขังอนัตตาได้ตะกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้เราก็จะได้ไปเกิดเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระอรหันต์ได้นี่คือ ผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรามาเสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการมาบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาด้วยการปฏิบัติบูบบบชาอย่างที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้มาทำทานมารักษาศีลมาฝึกนั่นสมาธิมาฟังเทศฟังธรรม เพื่อให้เกิดปัญญานี่คือวิธีเสริมสิริมงคลที่แท้จริงที่มีผลที่แท้จริงไม่เหมือนกับการบูชาด้วยอมิสบูชาที่จะไม่มีผลอะไรมากไปกว่าความรู้สึกที่ดีที่เกิดขึ้นในขณะที่ได้กระทำการบูชาเท่านั้น แต่จะไม่สามารถที่จะยกระดับจิตให้สูงขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดได้ถ้าอยากที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจให้เจริญก้าวหน้าเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้พิจารณาได้พัฒนากันเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้การปฏิบัติบูบชาเป็นเหตุพาให้เราไปสู่ การพัฒนาที่สูงสุดได้ดังนั้นขอให้พวกเราจงเน้นที่การปฏิบัติบูบชาอามิสบูชาเรา็ข้าำไปตามกาลเทศะเช่นวันนี้เราก็เอาน้ำไปขอลดน้ำขอพรเอาข้าวเอาของไปฝากแต่การปฏิบัติบูชาเราก็ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เราก็ต้องรักษาศีลให้ได้อย่างต่อเ น, นื่องฝึกหัดนั่งทำสมาธิทำใจให้สงบให้ได้แล้วฟังเทศฟังธรรมศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ผลที่ดีที่จะยกชีวิตจิตใจของเราให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปตามลำดับต่อไป การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยึดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วแารปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยทั่วหน้าการเธอ